พระบัญญัติ403ก็ภิกษุใดรู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่นกว่า20ปีบุคคลนั้นไม่เป็นอันอุปสมบทและภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิภิกษุนั้นต้องอบัติปาจิตตีนี้เรื่องเด็กชายอุบาลีจบ